มันก็ไปกินมดที่เคยอยู่บนพื้นที่แห้งผาอันนี้ก็รวมถึงแมลงอย่างอื่นด้วยในตองเด็กกันเนี่ยในทังตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันลดเมื่อไหร่เนี่ยปลามก็จะกลายเป็นอาหารของมดได้เหมือนกันเพราะว่าปล า, ม, ามันก็ตายมันก็สำนวนนี้ก็สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่ว่า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 ฉุดค่าผู้หญิงวันนีก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาแต่ว่าพอหน้ามืดด้วยด้วยราคาเนี่ยก็สามารถจะชุดค่าหรือว่ากระทำช้ำเราคนที่ตัวเองอาจจะรู้จักด้วยซ้ำอพอทำไปแล้วนะรู้ตัวขึ้นมาหลังจากที่ปลดเปลื้องอารมณ์